Thank you. ครั้งที่เรามาทำวัาสวดมนต์นอกจากการสาธยายธรรมนะซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นพุทธภาษิตแล้วก็แผ่เมตตานอกจากแผ่เมตตาแล้วน ะ, ะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะมีการกรวดน้ำนะไม่ว่าเช้าหรือว่าเย็น คำว่ากรวดน้ำนี่ก็เป็นคำเรียบนะอย่างทั่วๆไปนะเพราะว่าจริงๆก็ไม่มีน้ำจะกรวดนะแต่ไม่มีน้ำก็ไม่สำคัญนะสิ่งสำคัญคือใจเรากวดน้ำตอนเชา้ากวดน้ำเย็นก็จริงก็คือการ อ, อุทิศบุญกุศลนะคุณความความดีที่เราทำนะให้กับสรรพสัตว์ ถึงแม้ว่าบางวันเราจ ะ, ะไม่ได้กล่าวคำกรวดน้ำนหรือว่าการอุทิศบุญกุศลแต่ก็ให้ใจเราน้อมนึกนตามโอกาสตามเวลาที่มีอาการน้อมนึกนถึงความดีและอุทิศบุญกุศลไปให้เนี่ยนะก็เรียกว่าแผ่ไปให้อย่างกว้างไกลนะตั้งแต่ อุปชาอาจารย์นะพ่อแม่รวมทั้งนะผู้คนทั้งหลายที่เราเกี่ยวข้องทั้งมิตรสหายทั้งผู้ที่จองร้างคิดร้ายกับเรานะมีเรื่องติดข้องหมองใจกันเราก็แผ่ไปใหนะ้รวมทั้งคนที่เราสุขเฉยๆกลางๆที่เราพูดเป็นกลางผู้ต้องผ่านนะนะอันนี้เป็นวิสัยชาวพุทธนะเรา เมื่อเราทำความดีแล้วเราก็ไม่ไม่เก็บไปคนเดียวแล้วก็แผ่ไปให้ไม่ต้องกลั ว, วแผ่ไปแล้วจะหมดนะมันไม่เหมือนกับเงินนะเงินนี่เราให้ใครมากเท่าไหร่เงินในกระเป๋าก็เหลือน้อยลงแต่ว่าการาแผ่บุญกุศล น, นะุที่คุณงานความดีไปให้มันไม่มีหมดนะ มันขึ้นอยู่ว่าเรามีอยู่เท่าไหร่มันก็เหมือนกับการที่เราจุดไฟนะจุดเทียนเรามีเทียนอยู่เล่มหนึ่งนะและเราจุดเทียนให้ความสว่างแก่เทียนของคนอื่นจะมีกี่กี่เล่มนะร้อยเล่มเราจุดไม่ว่าร้อยหรือพันเทียนของเราก็ไม่ได้ ลดน้อยถอยลงนะต่างคนต่างก็จุกก็แพร่กระจายไปเทียนของเราก็ยังส่องสว่างเหมือนเดิมนะไม่ได้ลดน้อยถอยลงนะตรง น, นข้ามกับทำให้เทียนของคนอื่นก็สว่างสวยมากขึ้นอันนี้ก็เปรียบเหมือนการแรนะ่บุญกุศลนะอุทิศบุญกุศลไปให้เนี่ยก็เป็นอย่างนั้นแหละริงจริงยิ่งทายิ่ง ให้ก็ยิ่งได้น ะ, ะบุญกุศลที่เกิดจากการที่แผ่อุทิศบุญกุศลให้กับผู้อื่นเนี่ยนะเราเรียกว่าปฏิทานน้ำใหมปฏิทานน้ำใหมก็คือการอุทิศคุณงามความดีแผ่บุญกุศลไปให้ยิ่งทำํำเราก็ยิ่งได้นะไม่ต้องกลัวว่าบุญกุศลนะของเราจะหมดนะ อันนี้มันก็เป็นภาวนาแบบหนึ่งนะที่ทําให้จิตใจเราเจองอ่งงามอันนี้แผยไปแล้วนี่เราก็ต่อด้วยการที่เราเราลึกถึงจุดมุ่งหมายหรือตั้งจุดมุ่งหมายในการดําเนินชีวิตนะไม่ใช่แค่การปฏิบัติธรรมนะยังมีตอนหนึ่งเราก็จะกล่าวว่าเนี่ยด้วยบุญนี้ที่เราทําเราพลันได้ซึ่งการตัดตัวตัณหาอุปาทาน สิ่งช่วยในดวงใจมาลายเส้นจากสันดานจนกว่าเราจะถึงนิพพานอันนี้เนี่ยเป็นจุดมุ่งหมายของการทำความดีจุดมุ่งหมายการสร้างบุญสร้างกุศลหลายคนทำบุญก็พอหวังร่ำรวยหวังมีโชคมีลาหวังให้มีเงินมีทองไหลามาเทมา แต่จริงๆแล้วเนี่ยนะอันนั้นยังเป็นเรื่องรองนะสิ่งสำคัญกว่าและประเสริฐกว่านะก็คือการทำเพื่อให้ตัณหาอุปาทานมันออกไปจากใจใการทำบุญแต่ละครั้งเนี่ยนะถ้าเราทำบุญอย่างถูกต้องเนี่ยมันก็จะช่วยลดความเป็นแก่ตัวนะมันเป็นการช่วยขูด หรือว่าลดตัวตันหาอุปาทานหรือพวกนั้คือตัวกิเลสนั่นแหละให้มันเหลือน้อยลงไปเพราะว่าถ้าตาบใดที่เรายังมีกิเลสเยอะนะชีวิตเราก็หาความสุขได้ยากมันก็เหมือนกับว่าจิตใจเราเนี่ยยังมีช่องโหว่นะยังมีรูโว่ที่จะให้มาเนี่ยเข้ามาเล่นงาน เป็นรูปที่ทําให้ทุกข์เข้ามานะเผาผ่านทิ่มแทงจิตใจเราได้นะถ้ายังมีสิ่งชั่วในดวงใจอยู่เนี่ยนะก็อย่าหวังว่าจะมีความสุขความสงบนะในชีวิตนี้เพราะว่าให้ความชั่ว น, นี่แหละนะมันก็จะทําให้เรามีความทุกขนะ์ทุกข์เพราะพูดชั่วทําชั่วหรือว่า ถูกเพราะว่าวางจิตวางใจไม่เป็นนะมีตัณหาอุปาทานเพราะฉะนั้นเนี่ยได้เท่าไหร่ก็ไม่พอนะได้แล้วก็ยังไม่พอใจแม้จะร่ำรวยแค่ไหนก็ยังอยากจะได้อีกนะเพราะว่ากิเลสตัณหาอุปาทานนี่มันมันมันคลองจิตครองใจของเราเช่นะชาวพูทธเนี่ยเราเวลาตั้งจิตนะปรารถนา เราก็จะไม่ได้มุ่งหวังว่าขอให้รวยขอให้รวยขอให้รวยนะเพอาะเรารู้ว่ามันมีสิ่งที่ดีกว่าประเสริฐกว่านะรวยแค่ไหนก็ยังทุกข์นะถ้าหากว่าใจยังมีตันหาปุปาทานนะมันก็เท่ากับว่ายังมีช่องมีรูที่จะให้ความทุกข์เนี่ยมันเล็ดรอดเข้ามา บางทีมันไม่ได้แค่เล็ดลอนมันเรียกว่าหลังไหลท่วมทนเข้ามาเลยาจริงอยู่คนเรานะก็ต้องนะมีมีเงินมีทองมีทรัพย์สมบัตินะมันให้ความสุขกับเราแต่ว่าความสุขที่เกิดจากทรัพย์สมบัติมันก็ไม่เที่ยงนะแล้วก็ในการที่จะได้มันมาก็ไม่ใช่ว่าจะสบายมันก็เหนื่อยนะก็เป็นทุกข์อีกแบบหนึง่งนะมีเรื่องเล่าว่านะ เคยมีชายหนุ่มคนหนึ่งไปกราบหลวงปู่ดู่พรหมปัญโยนะะที่วัดสักแก่แกก็เล่าว่ามาเพิ่งไปเช่าพระอุปคุดมาหลวงปู่ดู่ก็ถามว่าเช่ามาทําไมชายหนุ่มคนนั้นก็บอกว่าจะได้รวยไงหลวงปู่หลวงปู่ท่านก็เลยเปิดขึ้นมาเบาๆว่ารวยกับรวยเป็นใกล้กันนะชายหนุ่มคนนั้นก็ งงเลยนะเพราะคิดไม่ถึงว่าไอ้รวยกับซวยนี่มันจะใกล้กันได้ยังไงก็เลยถามเป็นยังไงหลวงปู่ทีแรกท่านก็บอกว่าเออมันเขียนคล้ายๆกันเแ็่แล้วท่านก็อธิบายต่อไปว่าเนี่ยรวยนี่นะนะมันรวยเท่าไหร่ก็ทุกนะมันทุกตั้งแต่ตอนหามานละตอนหาก็ทุกเก็บรักษามันก็ทุก ขั้นมันหายไปเสื่อมไปก็ทุกข์นะคือมันทุกข์ทุกขั้นตอนเลยนะถ้าถ้าจะหวังรวยแล้วท่านก็บอกว่าเนี่ยอย่าเอารวยเลยเอาดีดีกว่านะเอาดีในที่นี้ก็หมายถึงทําความดีนะแล้วก็ไม่ใช่แค่ความดีที่กายวาจาต้องทําให้ใจดีด้วยนะบางคนรักษาศีล น, นะอศีลดีไม่ไปเบียดเบียนใครแต่ใจยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ พระวจัยยังก็ยังมีความเรียกว่ามีกิเลสมีตัณหาอุปาทานอยู่เวลาักเวล า, ารักษาศีลก็อยากให้คนชมอยากให้คนรู้ว่าเรารักษาศีลนะบางทีก็ไปประกาศนะประกาศทาง Facebook ประกาศทางาสื่อโซเชียลมีเดียว่าเนี่ยวันนี้ฉันมารักษาศีลนะาบางทีก็ อ้างว่าที่ประกาศนี้เพื่อเอาบุญมาฝากนะแต่ที่จริง mm. เหตุผลลึกๆก็คือต้องการประกาศให้คนรู้ว่าเนี่ยฉันมาปฏิบัติทำฉันมารักษาศีลมันก็มีนะคนที่ไม่ได้ตั้งใจจะเอาบุญมาฝากกันนะแต่ว่าเอามาเป็นข้ออ้างเพื่อจะได้ประกาศให้รู้ว่าฉันรักษาศีลเพื่อจะได้รู้สึกว่าเอ่าเป็นคนที่เป็นคนดี อยากให้คนเห็นว่าฉันเป็นคนดีอยากให้คนได้ชื่นชมสรรเสริญอันนี้เรียกว่ า, าทำดีแต่มันยังไม่ดีจริงนะเพราะว่าใจไม่ได้ดีไปด้วยใจก็ยังมีกิเลสนะกิเลสนี้ก็เชื่อามาณะนะก็คืออยากให้อยากประกาศให้โลกรู้ว่าฉันเป็นคนดีฉันเป็นคนเก่งฉันเป็นนักปฏิบัติธรรมนะอันนี้มันยังไม่ถูกนะต้องทำให้ใจดีคือว่าทาดีนี่ไม่ต้องประกาศให้ใครรู้นะ ขอเพียงแต่ว่าทําให้ถูกต้องแล้วก็คือนั่นก็คือมุ่งลดความเี็แก่ตัวในเรื่องความร่ารวยแล้วเนี่ยนะในสิ่งที่มันเป็นจุดมุ่งหมายของคนทั่วไปนะก็ จ, จะได้แก่ความยิ่งใหญ่ความมีหน้ามีตานะมียศทรัพย์อํานาจอันนี้มันก็ไม่ใช่เป็นสารานานประเสริฐเหมือนกันนะมันก็ยังไม่ใช่สิ่งที่ทําให้มีความสุขที่เทียงแท้ ผู้ที่รู้ธรรมเนี่ยนะั้นก็จะไม่ได้มุ่งหมายจะให้ชีวิตนี้มีสิ่งนี้เลยจิตตะฆาบดีเนี่ยเป็นอุบาสกสมัยพุทธกาลนะเป็นผู้ที่เข้าใจธรรมอย่างลึกซึ้งนะแม้จะเป็นอุบาสกความรู้ทางธรรมหรือว่าความเข้าใจธรรมท่านนี้มากกว่าพระหลายรูปนะตอนที่ท่านใกล้จะเสียชีวิตเนี่ยเทวดาก็มาเยี่ยมนะ แล้วเทวดาก็แนะนําด้วยความปรารถนาดีว่าให้จิตตะาบดีเนี่ยนึกถึงอตั้งปณิธานว่าจะเกิดไปเป็นพระจกักรพรรดิในชาติหน้าเพราะบอกว่าเนี่ยอจิตตคฆาบดีทําความดีมาเยอะสร้างบุญสร้างกุศลมามากเนี่ยถ้าน้อมใจนึกนะถึงการเป็นจกักรพรรดิเนี่ยเมื่อตายไปก็จะได้เป็นจกักรพรรดิอย่างแน่นอนนะ หลายหลายคนก็อยากเป็นนะแต่จิตจคขาวบดีปฏิเสธบอกว่าไม่เอานะเพราะอะไรเพราะว่ามันก็ไม่เที่ยงนะจะเป็นพระเ จ, าจากก้าจักรพรรดินะคองราชสมบัตินะยิ่งใหญ่แค่ไหนมันก็ไม่เที่ยงไอ้ที่ไม่เที่ยงเนี่ยก็มีทั้งความหมายที่ว่าพอตายไปแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะไปดีอาจจะไปไม่ดีก็ได้ไม่ใช่ว่าจะเป็นจกกักรพรรดิไปทุกทุกชาตินะ บางคนเป็นจกักรพรรดิในชาตินี้หรือเป็นพระราชาในชาตินี้ชาติหน้าก็อาจจะไปอบายก็ได้นะเพราะว่ามันเป็นของไม่เที่ยงนะหรือความไม้อีกความไมายหนึงก็คือว่าราชสมบัติมันก็ไม่เที่ยงนะจะจะมีกยนเป็นไปนะถูกคนแย่งชิงไปก็ได้นะจริงๆในสมัยพุทธกาลนี้ก็มีตัวอย่างนะเห็นชัดนะ พระเจ้าพิพิสารก็ดีพระเจ้าป ร, ระเสิทธิโกศลก็ดีเนี่ยสองพระองค์นี้ก็เป็นพระราชาที่มีบทบาทสําคัญในในพุทธศาสนาสมัยพุทธกาลนะใกล้ชิดกับพระพุทธเจ้าทั้งสองคนนะแต่ว่าไม่มีใครที่ตายดีสักคนเลยพระเจ้าพิมพิสารก็ถูกลูกชายคือพระเจ้าชาติศัตรูยึดอํานาจจับขังคุกไว้พระเจ้าประสิฐธิโกศลยิ่งใหญ่แค่ไหนนะ สุดท้ายก็ถูกลูกนะยึดอำนาจนะพระเจ้าวิถุตภะนะเสร็จแล้วก็ตัวเองก็ต้องสมสารนะหนีมาแล้วก็สุดท้ายก็ตายหน้าหน้าประตูเมืองนะตายแบบอนาถาเลยพระเจ้าพิพิสารก็ตายในคุกนะอันนี้มันแสดงเห็นนะว่าเป็นพระราชาเนี่ยไม่ใช่ว่าจะจะสุขสบายนะ แล้บางทีก็ไม่ได้เป็นหลัปกประกันว่าจะตายดีด้วยนะท่องสองท่านที่ก็ตายไม่ดีทั้งคู่นะถูกโรคยึดอำนาจนะไม่ใช่คนไกล้คนไกลเลยนะไม่ใช่คนไกลหรือคนใกล้แท้ๆนะอันนี้ก็เป็นมาทุกยุคทุกสมัยนะนะในอินเดียนี่ก็พระราชานะไม่ว่าจะราชวงศ์ไหนนะก็รู้แล้วแต่มีเรื่องราวแบบนี้ทั้งนั้น จกนกระทั่งราชวงศ์สุดท้ายในราชวงศ์โมกุลเนี่ ย, มมยะซึ่งเป็นอิสลามเนี่ยก็ลงเอยกันแบบนี้กันแทบทุกราชการก็คือถูกลูกยึดอำนาจนะลูกฆ่าพ่อลูกจับพ่อไปขังจนตายในคุกหรือไม่เะนั้นก็พี่ก็ฆ่าน้องน้องฆ่าพี่นะเกือบจะเป็นอย่างนี้ทุกราชการเลย อันนี้มันแสดงเห็นเลยนะว่ามันก็ไม่ใช่เป็นอสิ่งที่ประเสริฐนะหรือว่าสิ่งที่จะแบบเป็นหลักประกันแห่งความสุขอย่างแท้จริงเนะี่ยชาวพุทธที่เข้าใจธรรมะเนี่ยก็จะไม่ได้หวังรวยไม่ได้หวังยิ่งใหญ่นะแต่สิ่งที่ต้องการคือว่าความพ้นทุกข์นะอย่างจิตตะคะบดีเนี่ยท่านก็มุ่งนิพพานนะจั ก, กรพัฒจะเป็นทําไมนะมันไม่เที่ยงนะเป็น เป็นอมุ่งนิพพานมุ่งความดับทุกข์ดีกว่าซึ่งก็เกิดขึ้นจากการฝึกฝนจิตใจนะวิธีการฝึกฝนจิตใจนี่ก็มีอยู่แล้วนะอย่างที่เราสวนเมื่อสักครู่นะอริยมัรมีองค์แปดนะเริ่มตั้งแต่สัมมาทิฏฐินะจนไปถึงจนถ้าไปถึงสัมมาส ม, มาธิเป็นการฝึกทั้งกายนะทั้งวาจาทั้งใจและใจนี่ก็ไม่ใช่หมายถึงแค่ความสงบนะแต่การมีปัญญา อันตรงนี้แหละนั้นที่มันจะทําให้ชีวิตเนี่ยเข้าถึงความเจริญงอกงามอย่างแท้จริงก็คือว่าไกลจากความทุกข์เข้าถึงความสงบเย็นนิพพานนี่ก็เรียกเป็นบรมสุขนะมันสุขจริงกว่าอะไรทั้งสิน้นนะแล้วก็เป็นสุขที่ไม่มีใครจะมาแย่งชิงได้ในชาวาพุทธที่เข้าใจธรรมะเนี่ยนะก็จะน้อมจิตไปเพื่อสิ่งนี้ แล้วก็จะไม่ใช่แค่น้องเปล่าๆนั่นก็จะปฏิบัติ ด, ด้วยแล้วถ้าเป็นชาวพุทธเนี่ยจะไม่ได้กลัวนะจะไม่กลัวจนนะจะไม่กลัวตกละกรรมลำบากจะกลัวว่ามารเนี่ยจะเข้ามาครอบงำํำนะกลัวว่าสิ่งชั่วยนดวงใจนี่มันจะเข้ามานะครอบงําจิตใจอย่างที่บดเสดกรวดน้ําเนี่ยนะมันก็จะมีตอนท้ายๆเนี่ยกรวดน้ําเย็นก็จะบอกว่าเนี่ยด้วยเดชบุญทักษิณป้องนะ ขอหมู่มานอย่าได้ช่องด้วยเด่นบุญทั้งสิบป้องนะอย่าเปิดโอกาสแก่มาร น, นะเราจะทำความดีเนี่ยเพื่อจะปิดโอกาสไม่ให้มารเข้ามาครอบงำนะไม่ใช่ทำบุญนะเพื่อไม่ให้เจอความทุกข์ความยากความลำบากนะเพราะของเหล่านี้เนี่ยมันก็ห้ามยากนะเดยเพราะถ้าทำความดีเพื่อไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บเนี่ยนะมันเป็นไปไม่ได้เลยแต่สิ่งที่เราทาได้คือว่า ทำความดีสร้างมุลสร้างกุศล น, นะก็เพื่อไม่ให้จิตใจมันเปิดช่องให้มานเข้ามาเพราะทํามานเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็ลาออกเอาความทุกข์เข้ามาด้วยนะให้การรักษาใจเป็นเรื่องสําคัญกว่าให้เรื่องอื่นเป็นเรื่องรองไม่ใช่ไม่สําคัญแต่ว่าสิ่งสําคัญที่สุดคือการที่เรารักษาใจของเรานะไม่ให้มีกิเลสนะรวมทั้งเปิดจิตเปิดใจของเราให้เห็นสัจธรรม การที่เห็นสัจธรรมความจริงเนี่ยมันจะทําให้จิตเนี่ยนพ้นจากอํานาจของตันเถาปาทานคือพอเห็นความจริงว่าสิ่งทั้งปวงมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนมันไม่น่ายึดถือหรือยิ่งกว่านั้นคือมันยึดถือไม่ได้นคือไม่ว่าจะยึดถือยังไงมันก็แปลเปลี่ยนไปนะมันไม่ใช่ของแท้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าไปยึดไปฝากความหวังเอาไว้กับสิ่งนี้ก็เหมือนกับว่าเรานะ ไปพิงเสานะพิงเสาที่มันงอนแงนน ะ, นะเสาที่มันงอนแงนเนี่ยมันจะพิงไปได้กี่กี่น้ํำนะพอเสาพังเสาหักนะนนถ้าเราพิงเสาพิงเต็มที่เลยเนะี่ยเราก็จะล้มคว่ำนะก็แทกพื้นจะไปพิงเสาได้ไงพราะเสานี่มันก็ยังพึ่งตัวเองไม่ได้เสานี่มันก็ต้องเสื่อมต้องพังไปตัวมันเองมันยังเป็นที่พึ่งให้ของมันเองไม่ได้เลยเราเราจะไปพึ่งเสาได้ไงนะ อันนี้ก็เปลี่ยนเหมือนกับทรัพสมบัตินะพวกอำนาจชื่อเสียงนะตัวมันเองมันก็ยังไม่เที่ยงเลยนะถ้าเราเอาจิตเอาใจเอาความสุขไปฝากไว้กับมันนะมันก็ยิ่งนะก็ต้องรอวันที่จะเป็นทุกข์นะเพราะความเสื่อมความดับของสิ่งเหล่านี้นะแต่ถ้าเกิดว่าเรานะมีจิตใจนะที่เข้าถึงธรรมนะไม่มีกิเลสตันหัปทานครอบ ง, งาเนะี่ยมันไม่ จิตมันก็จะเป็นอิสระนะและจะมีแต่ความสงบเย็นน ะ, ะถึงตอนนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นนะไม่ว่าความแกนะ่ความเจ็บหรือว่าเจ อ, อความวิบัตินะซึ่งเป็นธรรมดาโลกเนี่ยก็ไม่ทุกนะอย่างพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยนะถึงแม้ว่าวาระสุดท้ายนะ่นะจะอยู่ในคุกนะ ร่างกายก็ไม่มีความสุขหลสบายแต่ใจท่านเนี่ยนะใจท่านเป็นปกติเพราะว่าท่านเนี่ยได้เห็นธรรมเน่เป็นพระโสดาบันนะถึงแม้กายเนี่ยจะถูกคุมขังแต่ใจก็เป็นอิสระก็ไม่ได้ทุกข์ไม่ได้ร้อนอะไรนะนางสามรารวดีก็เหมือนกันนะถึงแม้ว่าจะโดนไฟคลอกตายนะมองแบบคนทั่วไปก็ถือว่าตายไม่ดีทั้งคู่นะ ก็คือว่าตายแบบทุกข์ทรมานแต่ที่จริงก็ตายแค่ไม่สวยนะตามมาตรฐานชาวโลกแต่ว่าจิตใจไม่ได้ทุกข์อะไรนางสาวมอติถูกไฟคลอกนะแต่ว่ามีธรรมะนะมีวิชามีวิชาที่จะช่วยรักษาใจแม่ทุกวิชานั้นคืออะไรวิชาสติปัฏฐานเพรตอนที่ถูกไฟครอกเนี่ยนะถูกแกล้งนะถูกหลังแก่นะนามาคันธยานี่กลั่นแกล้งเพราะว่าจิจชาที่ พระเจ้าอุเทนเนี่ยไปไปชอบนางสามาวดีซึ่งเป็นอั克拉มเหสีนามบักันทิยานะอิจชาก็อยากจะกำจัดลวงให้นางสามาวดีไปติดอยู่ในคลังผ้าแล้วก็ถือโอกาสเผาเลยให้ตายตายหมูนะนางสามาวดีกับบริษัทบริวารในพระตบิโดก็ว่าห้าร้อยห้าอยแปลว่ามากนะอย่าไปอย่าไปเคร่งครัดกับ ตัวอักษรตัวเลขมากแต่นางสาววดีนี่ก็ไม่ได้ไม่ได้ทุกทรมานอะไรเลยนอกจากจะให้อภัยนะนางมาคันธิยาแล้วนะก็ยังนะน้อมจิตกนะ็เรียกว่าเอาเวทนาเป็นอารมณ์คือดูความเจ็บความปวดดูทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นนะใช้จิตเนี่ยมาดูใช้สติเนี่ยดูเวทนาเห็นเวทนาแต่ไม่เป็น ผู้เจ็บผู้ปวดกายมันปวดนะถูกไฟเผากายมันก็ต้องปวดแหละแต่ว่าเห็นความปวดโดยที่ใจไม่ได้รู้สึกว่าเป็นผู้ปวดนะอะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าในที่สุดจะตายนะร่างเนื้อตัวร่างกายก็ดําเป็นตอตะโกนะแต่ว่าก็เรียกว่าไปดีนะจิตไม่ได้มีความทุกข์ความทรมานอะไรเลยเพระพุทธเจ้าก็บอกว่าการตายของนาเป็นการตายที่ไม่สูญเปล่าเพราะว่า เป็นการตายที่ทำให้ในขณะที่ตายนะจิตก็เป็นเป็นเป็นกุศลแล้วก็ได้เข้าถึงธรรมขั้นสูงนะบริษัทบริวารก็เหมือนกันนะบางคนก็ได้เป็นโสดาบันบางคนก็ได้เป็นสกิทาคามีบางคนก็ได้เป็นอนาคามีนะเรียกว่านะอย่างนี้เราอย่างนี้ไม่เรียกว่าตายตายแยา่กเรียกว่าเป็นการตายดีนะเป็นการตายทางพุทธศาสนาคือว่าใจสงบแล้วก็ จิตก็ขึ้นสู่ภูมิธทําขั้นสูงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยน ะ, ะถึงแม้ว่าจะมีความวิบัติเกิดขึ้นนะจะมีความเสื่อมความพัดพลาคนะซึ่งอันนี้เป็นธรรมดาโลกนะไม่ใช่ว่าคนดีจะไม่เกิดเรื่องแบบนี้นะแต่ว่าถึงแม้เกิดใจก็ไม่ได้ทุกอะไรเห็นถ้าเราถ้าเราอยากจะให้จริงเรามีความสุขแท้จริงนะนะก็ต้องนะ น้อมใจเนี่ยไปเพื่อมุ่งให้จิตใจของเรานะี่มีการพัฒนาให้ตัณหาอุปทานมาลดลงให้มีปัญญานะสามารถที่จะเข้าใจความจริงของชีวิตนะแล้วก็ปิดปิดโอกาสนะไม่ให้มานี่เข้ามาครอบงำเล่นงานอันที่เรามาเจริญสตินะสร้างความรู้สึกตัวนั่นแหละนะมันก็คือการการสร้างการหา เครื่องรักษาจิตนะเพื่อไม่ให้เพื่อปกปิดป้องปิดไม่ให้พวกกิเลสตัณหาประญานนี่เข้ามาครอบงำจิตใจนะในการรักษาใจเนี่ยมันไม่มีอะไรดีเท่ากับสตินะไม่มีอะไรดีเท่าความรู้สึกตัวนะเพราะว่าสติเนี่ยพุทธเจ้ากลวว่าเป็นเครื่องตัดกระแสกิเลสนะเป็นเครื่องตัดกระแสกิเลสแต่ว่าตราบใดที่ยังไม่มีปัญญาเห็นแจ้งในสัจธรรมนะ อกิเลสมันก็จะคอยคอยหาช่องนะผุดโผล่หรือว่ายัางคงมีกระแสกิเลสหลายเข้ามาอย่างต่อนเนื่องหรือเป็นพักๆนะจนกว่าจะมีปัญญาเนี่ยถ้ามีปัญญาเนี่ยก็เรียกว่ากิเลสมันก็ไม่มีที่ตั้งนะอันนี้ก็ทำให้เป็นสุขอย่างแท้จริงอาละคำนี้ก็พูดกันทานี้นะขอบคุณครับ